คือการปฏิบัติทำไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะแต่ต้องตั้งหลักให้ถูกพวกเราบางคนจะสงสัยว่าฝึกมาตั้งนานทําไมธรรมะมันไม่เข้ามาสู่ใจเราสักทีที่จริงก็เพราะว่าใจของเราปฏิเสธธรรมะธรรมะพร้อมอยากเข้ามาสู่ใจเราอยู่แล้วเพราะจริงจรจิตใจของเราเองก็เป็นธรรมะอันหนึ่งนี่เราเองปฏิเสธความเป็นจริงคือปฏิเสธธรรมะ อย่างจิตใจเราเป็นของไม่เที่ยงเราอยากให้เที่ยงจิตเป็นทุกข์อยากให้มันเป็นสุขจิตเป็นอนัตตาอยากให้มันเป็นอัตตาอยากบังคับมันให้ได้ไม่ว่าเราลงมือปฏิบัติยังไงเราก็ลงมือปฏิเสธธรรมะไปเรื่อยๆเช่นเราปฏิบัติแต่จิตไม่สงบนะอยากให้สงบนะอยากบังคับให้ได้จิตมันมีกิเลสขึ้นมาอยากละมันให้ได้ จิตเป็นกุศลอยากจะสั่งให้กุศลอยู่นานๆ น, นใจเราเองนหะปฏิเสธธรรมะธรรมะพยายามสอนเรากายกใจพยายามสอนเราว่ากายกใจไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอยากให้เที่ยงถ้ามันดีแล้วอยากให้เที่ยงอยากให้มันเป็นสุขอยากบังคับอยากควบคุมมันให้ได้ตามใจชอบฉะนั้นปฏิบัติหลายปีธรรมะไม่มาสู่ใจเราสักทีเพราะเราไปปฏิเสธมันเองแหละ เราก็ต้องคอยรู้คอยดูไปจนวันหนึ่งใจมันยอมจำนนกับธรรมะนะมันยอมซิโรราบกับธรรมะมรู้ความจริงเลยกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ของที่จะบังคับได้ใจนี้ ใ, นใจนี้ทุกรล้วนๆนะไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างใจยอมซิโรราบกับธรรมะเนี่ยเข้าถึงธรรมะมันจะพ้นจากความทุกข์ได้อย่างเมื่อกี้มีพักพวกถามนะถามหลวงพ่อว่านจะจิตใจมันขุ่นเคือง ถูกเขาแกล้งอะไรที่ทํางานถูกแกล้งมาก่อนแล้วแต่กลับมาบ้านแล้วใจสัญญามันขุดขึ้นมาใจมันขุ่นเครืองดูยังไงก็ไม่หายแท้จริงความขุ่นเครืองไม่ใช่ของเก่าความขุ่นเคืองเกิดขึ้นใหม่ๆเกิดจากสัญญานะนะั้นแหละแต่เดิมไปได้ยินเขาได้ฟังเขาแล้วก็ได้รู้ว่าเขาว่า เ, าเขาแกล้งเอาอะไรอย่างนี้ก็ขุ่นเครือง กลับมาบ้านเขาไม่ได้แกล้งแล้วแต่จําได้ว่าเขาแกล้งก็คิดขึ้นมาใหม่ก็คขุนเครืองครั้งใหม่ะความขื้นขุนเครืองก็ไม่ได้คงที่อะไรแต่หน้าตามันเหมือนเดิมยังโมโหอยู่หน้าตามันเหมือนเดิมไม่ใช่ตัวเดิมหรอกนี่พอไปดูก็สงสัยทาไมมันไม่หายไปการเจริญสติเราไม่ได้ดูเพื่อให้มันหายไปหรอกเราจเจริญไปเพื่อให้เกิดสัญญาให้เห็นความจริงความคุนเครืองก็เป็นไตรลักษณ์ ถ้าทนดูไปเรื่อยๆยังไงก็หายถ้าเหตุของมันดับมันถึงจะดับเหตุของมันก็คือการคิดนั่นเองถ้ายังคิดอยู่มันก็คุณเคืองขึ้นมาใหม่คิดอีกทีคุณเคืองอีกทีหนึ่งถ้ามีสติรู้ทันว่าจิตแอบไปคิดแวบรู้ทันขึ้นมาเหตุของความคุ่นเคืองก็ดับความขุ่นเคืองก็จะดับถ้ามีสติรู้ทันว่าใจลงไปคิดแล้วหรือมีสติรู้ทันขึ้นมาว่าใจไม่ชอบความขุ่นเคือง อยากให้หายรู้ทันไหมอยากให้หายนะความอยากดับมันก็ดับเหมือนกันถ้าใจเป็นกลางใจเป็นกุศลขึ้นมาใจเป็นกุศลขึ้นมาอากุศลดับทันทีความกุญเพืองจะดับทันทีดับยิ่งการปฏิบัติก็ค่อยๆเรียนรู้ไปมีแต่สิ่งที่ต้องเรียนรู้เยอะแยะแต่สนุกนะสนุกถ้าเราเรียนรู้แบบไม่มีส่วนได้เสียจะสนุกมากเลยถ้าเรียนรู้แบบมีส่วนได้เสียไม่สนุกเลย เหนื <ítulo> ่อยยากแล้วก็เหน็ดเหนื่อยที่สุดเลยมีส่วนได้เสียเช่นอยากให้สุขอยากให้ดีอยากให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานไม่วมีส่วนได้เสียกิเลสเกิดขึ้นอยากให้มันหายเร็วๆมีส่วนได้เสียถ้าเราดูกิเลสเกิดขึ้นในใจนเหมือนเห็นกิเลสของคนอื่นเหมือนคนอื่นเกิดกิเลสเราไม่เกี่ยวอะไรด้วยใจเราไม่เข้าไปพัวพันดูกายก็เหมือนเห็นเป็นกายคนอื่นดูจิตใจเป็นสุขเป็นทุกข์ เป็นกุศลอกุศลเหมือนเห็นคนอื่นมีสุขมีทุกข์มีกุศลอกุศลจิต ใ, ใจเราจะเป็นอิสระขึ้นมาสบายเพราะเราจะไม่ได้มีกิเลสในใจเราหรือกิเลสมันเข้ามาสู่ใจใครก็ไม่รู้ซึ่งไม่ใช่ตัวเราแล้วก็จริงตัวเราไม่มีหรอกตัวเราเกิดจากความสำคัญคิดโง่เป็นไงโง่หึ่วงวงแล้วเป็นไงจิตเป็นไง อ่อนใจไหมมันถูกดึงดูดแล้วอยากหายไหม <S <S นั่นแหละให้รู้ที่อยากไม่ใช่รู้ที่ง่วงนะเพราะง่วงแล้วก็รู้ว่าง่วงง่วงนะแต่จริงๆ ร, รู้ไม่เป็นกลางใจเรายังอยากหายอยู่ให้รู้ที่ความอยากหายนะกิเลสอยู่ตรงนี้ความง่วงไม่ใช่กิเลสความง่วงเป็นธรรมดาของขันเป็น ม, มิบากไม่ใช่กิเลส แต่อยากให้หายง่วงเป็นกิเลสดูเข้ามาที่ต้นตอตัวนี้กิเลสดับแนละ้วโอ้ใจสบายทั้งง่วงเพราะกิเลสนะจะหายเลยแต่ทั้งง่วงเพราะร่างกายอ่อนเพลียไม่หายหรอกต้องไปนอนนะต้องพักก่อนมมม่ีน้กวอออเลงพตััแ็ อ่เพราะว่ามันอยากให้<ต>ใ ห, หายโมโห<า>มัน<า>ยัง <ๆ S 2> <ๆ S 1> ทำความผิดเราก็ต้องดา่านะมันนะอ่า ม, มีเคล็ดลับของผู้บริหารอย่างหนึ่งเวลาที่ยังโมโห อ, อยู่ยังไม่ตัดสินอย่าเพิ่งทำอะไรหลวงพ่อเคยอ่านชา ด, ดกอันหนึ่งมีพระเจ้าแผ่นดินองค์หนึ่งนะเขาลบพระปัจเจกกับพุทธเธจ้ามาก นิมนต์พระปัจเจ ก, กมาอยู่ในสวนนี้วันหนึ่งท่านไม่อยู่พระเจ้าแผ่นดินไม่อยู่นคนเฝ้าสวนเนี่ยเหพลาดครั้งเกิดอุบัติเหตุ่ไปทําพระปัจเจกต า, ายแล้วก็ไปซ่อนหนีไปเลยรู้ว่าพระเจ้าแผ่นดินต้องฆ่าเนี่ยหนีไปหนีไปหลายปีแล้วสา ม, ส, ามสี่ปีนะให้คนส่งข่าวมาว่าอยากจะมาทูลข้อเท็จจริงกับพระราชาเรื่องที่เกิดขึ้น พระเจ้าเป็นดีมบอกไม่ให้พบปีที่หนึ่งก็ไม่ให้พบนะปีที่สองมาขอพบอีกไม่ให้พบปีที่สามมาให้ให้พบแ่ะวให้พบก็ฟังว่าทําไมถึงไม่ทาพระปัิเจกตายฟังเหตุฟังผลแล้โอ้มันอุบัติเหตุจริงๆนะไม่ได้เจตนาแล้วยกโทษให้เพราะว่าหมาดก็ถามทําไมปีแรกไม่ให้พบปีที่สองไม่ให้พบปีที่สามมาให้พบแล้วก็ไม่ลงโทษอะไร บอกปีแรกๆยังโกรธอยู่เพราะฉะนั้นยังไม่ลงโทษใครยังไม่ตัดสินใครเพราะยังโกรธอยู่ยังมีอคติอยู่นี่ค่อยสมเป็นธรรมราชานะเป็นตัวอย่างของนักบริหารนะเวลาโกรธลูกน้องอย่าเพิ่งตัดสินใจอาจจะไม่ยุติธรรมคนที่ทําผิดอาจจะไม่ใช่ลูกน้องกลาเป็นตัวหัวหน้าที่ไปตัดสินเขาก็ได้งั้นเวลาโมโหอย่าเพิ่งวกวกักให้หายโมโห่แล้วมาดูเหตุผล มีเหตุผลสมควรดา่าต้องด่านะไม่ใช่ชาวพุทธต้องยิ้มลูกเดียวไม่ใช่พระเจ้าสอนให้ขม่มคนที่ควรขม่มชมคนที่ควรชมไม่ใช่จะต้องกับคนดีกับคนชั่วเราปฏิบัติเหมือนกันไม่ใช่ใจของเราไม่มีอคติอย่างพระพุทธเจ้ารักพระราหุลกับพระเทวทัตเท่าทเๆกันแต่ท่านปฏิบัติกับสององค์นี้ไม่เหมือนกันงั้นไม่ใช่เราปฏิบัติต่อคนดีและคนชั่วเหมือนๆกัน แต่ว่าเราไม่ได้เกลียดไม่ได้รักใครเป็นกลางตัวนี้ที่เหมือนกันเมื่อเวลากิเลสเกิดให้ใคอย ร, รู้กิเลสไม่หายให้รู้ลงไปเลยทำไมรู้สึกว่ากิเลสตัวนี้อยู่นานเกินไปทันทีที่รู้ว่ากิเลสรู้สึกว่ากิเลสนี้อยู่นานเกินไปเนี่ยมันสะท้อนแล้วละ่ะว่าอยากให้มันหายจิตไม่เป็นกลางจริงกิเลสไม่ดับหรอกจิตไม่เป็นกลาง จิตกลังมีโทสะตัวใหม่เกลียดกิเลสตัวเก่าอยู่เกลียดโทสะตัวเก่านั้นถ้าเมื่อไหร่รู้สึกว่าโอ้กิเลสเกิดนานเกินไปสะท้อนแล้วไม่เป็นกลางรู้สึกไม้ความสุขมันจะสั้นเกินไปแต่ความทุกข์จะยาวเกินไปเสมอแล้วทำไมมันสั้นเกินไปก็เพราะไม่เป็นกลางทำไมมันยาวเกินไปก็ไม่เป็นกลางให้เรารู้ทันที่ใจที่ไม่เป็นกลางนี้ พอใจเป็นกลางเราจะรู้สึกเลยว่าความสุขมันก็เกิดพอดีกับเหตุของมันก็ดับไปความทุกข์ก็เกิดพอดีกับเหตุของมันแล้วก็ดับไปมันพอดีนะมันไม่ใช่มากไปน้อยไปภาวนาไปถึงจุดที่เข้าใจความจริงเข้าใจเหตุเข้าใจผลแล้วมีแต่คําว่าพอดีเรีนหลวงปูบธธนะงป่บุตรานะหลวงปู่บุตรามีแต่คําว่าพอดี คนทำน้ำปาน้ามาถวายท่านนะอยากให้ท่านได้วิตามินซีเยอะๆเอาให้เปรี้ยวสุดๆเลยถวายท่านเข้าไปท่านก็ฉันเฉยๆนะฉันไป้เจ้าตัวเหลือเศษนิดนึงเอาชิมโอ้เปรี้ยวอย่างเลยเลยไปถามหลวงปู่หลวงปู่เปรี้ยวเกินไปไหมเนี่ยเปรี้ยวพอดีเปรี้ยวพอดีก็เหตุเปรี้ยวพอดีอีกวันนึงเอาใหม่โอ้ข่าวก่อนเปรี้ยวไปเติมน้ําตาลให้เยอะเลยอันนี้ ไปถวายท่านก็ฉันเฉยๆนะตัวเองมาชิมอูอย่างกับน้าเชื่อมถามหลวงปู่หวานเกินไปไหมหวานพอดีนะท่านอิสานมา่ก่อนนี้ครูบาอาจารย์องค์หนึ่งคนเรียกว่าหลวงปู่ดีเนาะใครมาว่าอะไรมาเล่าอะไรก็ดีเนาะดีเนาะอะไรก็พอดีหมดะนะที่ไม่พอดีเพราะใจเราไม่เป็นกลางแต่ไม่เป็นกลางเพราะใจลำเอียงลำเอียงเพราะมีกิเลส เรารู้ไม่ทันไปฝึกไปบิ๊กเป็นไงบิ๊กโอ้ดีด้าอากาศอย่างนี้ทำให้คนง่วงมากมายหลงพ่อไม่ได้ถามนะเรื่องง่วงหรงพ่อถามเรื่องจิตใจวันนี้ถามใครก็ตอบแต่ง่วงง่วงมันฟังไม่เป็นธรรมะเลยเหมือนถามสุขภาพนะหลวงพ่อถามว่าเป็นยังไงไม่ต้องมาตอบนะว่าสบายดีไม่ได้ถามอย่างนั้นหรอก นหายถึงการปฏิบัติเป็นยังไงหลวงพ่อไม่สนใจเรื่องอื่นอ เ, เอออย่างนี้สิง่วงกร็รู้ว่าง่วงอย่างนี้ค่อยน้าฟังหน่อยรื่นหูหน่อยเนาะแหลมเป็นไงแล้มเหลอดีที่รู้ตอบถูกด้วยได้คะแนนแนะ้วงต้านรู้ว่าคงต้านได้หนึ่งคะแนนนะ ถ้าฟุ้งซ่านแล้วทําไงต่อรู้รู้เพื่ออะไรอะ่ะจะไปรู้มันเพื่ออะไรฟุ้งซ่านรู้เพื่อให้เห็นความจริงนะว่าความฟุ้งซ่านก็ไม่เที่ยงเพราะงั้นการที่เรามาเจริญสติเนะี่ยเพื่อให้เห็นความจริงนะไม่ใช่เพื่อละนะเอเพื่อให้เห็นความจริงถ้าอยากละเราทําสมถะ จิตฟุ้งซ่านเราพุโทโธพุโทโธไปจิตสงบอีกวันหนึ่งฟุ้งใหม่พุโทโธใหม่สงบใหม่เราได้เป็นคนดีละเป็นคนมีจิตใจสบายจิตใจดีแต่ไม่พ้นทุกข์หรอกนะสงบได้มันก็ฟุ้งซ่านได้อีกแต่ถ้าเราเห็นเลยความฟุ้งซ่านไม่ใช่จิตของเราหรอกเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเป็นนามธรรมอันหนึงที่แปลกปลอมเข้ามาจิตใจไม่ได้ฟุ้งซ่านด้วยใจเป็นแค่คนรู้คนดูจิตใจทาหน้าที่รู้ไม่ได้ฟุ้งซ่าน ฟุ้ง่านไม่ใช่จิตฟุงซ่านเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาอภิธรรมเขาเรียกเจตสิกไม่ใช่จิตมันจะเป็นหนุ่มแล้วมันก็ฟุ้งอย่างนี้แหละมันธรรมดาันะนี้เป็นไงว่วงอีกคนไหมเออว่ง <c oughs> เาเบอร์แปดสิบสองเป็นไงเบอร์แปดสิบสอง เออดีนะดีที่เห็นมันอะไรนะโลกเออดีที่เห็ น, นถ้าจริงแล้วกิเลสเกิดทั้งวันน่ะกิเลสเกิดทั้งวันทั้งคืนเราไม่ค่อยเห็นเห็นได้ดีแล้วจิตใจใช้ได้นะใจค่อยตื่นแล้วล่ะเบอร์สี่สิบเจ็ดนะ ดีแล้วนี่เราเมือ่อวาน้งัเนหวตว่มาไปคืไมกับาไม่ดีอืมนะไม่ดีนะนะให้เรารู้ทันจิตใจไปเรื่อยรู้ทันร่างกายรู้ทันจิตใจไม่ดูคนอื่นนะดูคนอื่นแล้วกิเลสเยอะดูตัวเราแล้วได้พ้นกิเลสดีแล้วดีแล้วฝึกแปลงหลวงตา ม, มาส่วนแสงธรรมเลยนตอนนี้ท่านแข็งแรงดีไหม ดีนะได้เป็นที่พึ่งที่อาศัยของลูกนกลูกกา <c oughs> เป็นต้นโพต้นใสนนนนนไปที่ส่วนแสงธรรมเนอ ะ, ะท่านก็พระดีนะท่านจนันทรรสันก็ดีที่สุดตรงหนึ่งแหล ะ, ะดีได้เจอพระดีดีหลายองค์ทำอะไรอยู่เมื่อกี้นี้แต่กี้เนี้ยทำอะไร ออใช่ให้รู้ทันนะว่าหลงไปแล้วหัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆแท้จริงแล้วครูบาอาจารย์วัดป่าเนี่ยนะแต่เดิมท่านจะสอนการปฏิบัติที่ท่านสอนไม่สามขั้นเราต้องทำให้ครบสามอย่างไม่ใช่สามขั้นสามอย่างอันแรกเลยพุทโธเข้ามาหรือหายใจเข้ามาเพื่อให้สงบ ที่สองเมื่อสงบแล้วอย่าติดความสุขความสงบเฉยเฉยให้พิจารณากายพิจารณากายแก้แก้ี่จิตมันไปติดความเฉยเฉยติดเฉยไม่ดีไม่เดินปัญญาพอพิจารณากายผสมครัวแล้วก็ทําความสงบกลับเข้าไปใหม่จิตใจสบายแล้วตอนออกมาจากสมาธิหมดเวลาปฏิบัติแล้วอนี้สเต็ปที่สาจะยืนเดินนั่งนอนต้องรู้สึกตัวให้อนะาจารย์ตันเนี่ยสอนได้ครบ3อย่าง บางคนก็มาเล่าหลวงพ่อนะว่าตอนหลังๆนี่ท่านอจนรยสอนแต่ดูจิตทั่นเข้าใจผิดแล้วเพราะท่านถือว่าพุโทโธพิจรารณกายนะั้นเป็นเบสิกที่ต้องทำอยู่แล้วแต่สิ่งที่นักปฏิบัติรุ่นหลังๆลาเลยคือการเจริญสติในชีวิตประจำวันตัวนี้สำคัญนะยืนเดินนั่งนอนต้องรู้สึกไปร่างกายที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนไม่ใช่ตัวเราเป็นก้อนธาตุก้อนขันจิตใจ เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเป็นของไม่เที่ยงเป็นของบังคับไม่ได้เป็นอนัตตาเนี่ต้องใครฝึกอย่างนี้พอถึงเวลาได้เวลาปฏิบัติอีกก็มาพุโทโธมาหายใจถ้าพอมันจะนิ่งมันจะซึมมันจะเคิ่มนขี้เกียจคิดฟ้านก็ออกมาพิจารณา ก, กายให้มันคิดนั่นเองตรงที่คิดยังไม่ใช่วิปัสสนาหรอกเป็นการกระตุ้นให้จิตใจคุ้นเคยที่จะเจริญปัญญาไม่งั้นจิตจะขี้เกียจ เระนั้นถ้าเราเดินแนวของผู้บาอาจารย์วัดป่าก็ควรจะทําให้ครบสามอย่างนะอย่าละเลยไม่ใช่ทําแต่พุโทโธอย่างเดียวใช้ไม่ได้เดี๋ยวก็ซึมหรือหายใจอย่างเดียวเดี๋ยวก็ซึมพิจารณากายอย่างเดียวก็ใช้ไม่ได้เดี๋ยวฟุ้งซ่านแล้วก็แต่พุโทโธแล้วพิจารณากายแค่นี้ก็ได้แต่สมถะแล้วมาเจริญสติในชีวิตประจําวันนี่มาดูกายมารู้ใจเห็นกายไม่ใช่เราเห็นจิตมันไม่ใช่ตัวเราท่านเจริญปัญญา ทำให้ครบนะทำให้ครบจะได้ไปได้เร็วๆรอาเบอร์ยี่สิบเก้ากรลงมาก็มันก็ตักหลักได้โดรัรู้โดยไม่มีน้ำหนักที่ต่าแล้วตอนนี้มันมีน้ำหนักมองออกไหมฮะทาไมมันมีน้ําหนักเออตื่นเต้นตื่นเส้นนะรู้ไปไหมลองในอีก คือจริงๆเนะี่ยคำว่าสายกายสายจิตนเะป็นขั้นเบื้องต้นนะบางคนรู้กายเพื่อให้เกิดสติบางคนรู้จิตให้เกิดสติแต่เมื่อมันเกิดสติแล้วไม่มีสายไหนทั้งสิ้นบางครั้งสติก็รู้กายบางครั้งสติก็รู้จิตเลือกไม่ได้ด้วยซ้ำไปเระฉะนั้นะจุดตั้งต้นบางคนเริ่มจากกายก่อนบางคนก็เริ่มจากจิตก่อนก็ให้เกิดสติเช่นบางคนดูท้องของยุคหรือรู้หายใจเข้าหายใจออก รู้ไปเรื่อยๆแล้วจะใจหนีแวบไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันใจเข้าไปเพ่งลมหายใจหรือไปเพ่งท้องก็รู้ทันใจเป็นสุขเป็นทุกข์ก็ค่อยรู้ทันนั้นทำกรรมฐานอันหนึ่งนะกายก็ได้จิตก็ได้แล้วแต่ถนัดแล้วก็ค่อยรู้สภาวะไปจิตจเฉลบซ้ายแฉลบขวาคอยรู้ไปจิตเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลคอยรู้ไปทํามารู้ไปทําไมรู้เพื่อจะได้หัดเจริญสติในชีวิตประจำวัน ที่หลวงปู่มั่นบอกหัวใจของการทํากรรมฐานคือการเจริญสติในชีวิตประจําวันเังนัเราต้องเตรียมเครื่องมือคือเตรียมสติไว้บางีก็รู้กายไปก่อนเพื่อให้เกิดสติรู้จิตไปก่อนแล้วเกิดสติรู้กายแล้วเกิดสติเช่นเราหายใจเข้าหายใจออกเราเห็นเลยตัวที่กําลังนั่งหายใจเนี่ยเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าร่างกายที่หายใจอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าจิตเองก็วิ่งไปโน้นวิ่งไปนี้นะเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายหัดรู้สภาวะ แล้วเราเอากลายเป็นฐานเช่นเอาลมหายใจเป็นฐานเราไม่ได้รู้เฉพาะลมหายใจนะเราจะเห็นสภาวะทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมรูปธรรมเช่นเราเห็นไอตัวเนี้ยมันนั่งหายใจอยู่ใจของเราเป็นคนดูนะหายใจไปเรื่อยหรือเห็นมันกระดุกกระดิกเห็นท้องมันพองยุบนะใจเราเป็นคนดูพอใจเราหนีไปคิดเรื่องอื่นเราก็รู้ทันด้วยใจไปเพ่งก็รู้ทันหักรู้ไปเรื่อยๆถึงวันหนึ่งสติจะเกิดละพอใจลอยครับสติเกิดเลย หรือกำ ล, ลังเผลอๆอยู่เกิดหายใจขึ้นมาหรือเกิดขยับตัวขึ้นมาสติเกิดเลยดัง้นอยู่ที่การฝึกตั้งแต่เริ่มต้นพอมีสติแล้วเนี่ยใช้สติในชีวิตประจำวันน่ะสติเกิดเองในนี้มีเยอะเลยที่ขณะนี้ฝึกิดมาจนถึงขั้นที่มันเกิดสติในชีวิตประจําวันะ่ะนอย่างพี่น้องผู้นี้ก็เริ่มเกิดละเบอร์หนึ่งกับเบอร์สิบเก้าอ่างเงี้ยทาได้นะขององค์นี้มันก็เกิดละ เกิดในชีวิตประจำวันนู้นก็เกิดละทำได้ง่ายจะตายไปคู่นี้ก็เริ่มได้ละมันทำได้เยอะแยะอดทนนิดนึงทนฟังไปฟังหลวงพ่อพูดไม่รู้เรื่องช่างมันเถอะฟังไปเรื่อยๆทนทนไมเพราะไม่ได้เสียค่าฟังนะไม่ได้นั่งรถมาก็เอาซีดีไปฟังฟังมากๆนะฟังแล้วก็หัดสังเกตสภาวะไปเดี๋ยวสติตัวจริงจะเกิดขึ้นมา เวลามารายงานการปฏิบัติแกิดหลวงพ่อเนะจะรีบมารายงานแบบนี้หมู่นี้ไม่ได้ปฏิบัติแต่อะไรเกิดขึ้นรู้หมดเลยนะมันรู้เองอะ่ะอย่าว่าแต่ตอนตื่นเลยตอนนอนหลับอยู่เนะี่ยลิกซ้ายิกขวาอย่างรู้เลยนะรู้สึกบ้างไหมรู้สึกอ่ะรู้สึกทั้งวันทั้งคืนาาอืมนะนั่นแหละดีแล้วนะคุณเกิดเองไหแล้วไง แล้วก อ, อ, อ่ก่อนมันเอยนะีั่งมันเงยมันยังเพ่งอยู่นิดหน่อยนะยังไม่หมดทีเดีย ว, วยออาเบอร์สี่เบอร์สี่่งกันบ้านเผรอใช่รับถูกนะเผลอรู้ว่าเพลอก็ยงังดีเนาะ <ś c oughs> เอาตัวพ อ, อตัวรอดแล้วถ้าเพือรู้ว่าเพลอเบอร์แปดสิเ็ดเป็นยังไง ดีแล้วค่อยฝึกไปนะฝึกอยู่ในร่องในรอยแล้วล่ะแต่ไปสุติตัวจริงจะเกิดขึ้นใกล้จะเกิดแล้วดูไปดีแล้วดีแล้วเอา้าในยนต์นิดทางนี้บ้างหลวงพ่อต้องเวี่ยงไปเวี่ยงมาแล้วไหมเพราะไม่งั้นพอไล่เป็นแถวเนะี่ยจะเครียดจะอย่างนี้บางคนบอกเครียดหนักกว่าเก่าอีกไม่รู้จะมาเมื่อไหร่ <laughs> มีโมหะทราบไหมนะเออนะตัวนี้ต้องระวังนะนิพแล้วของนิพมีต้องระวังอีกอันหนึ่งมียิยุ่งกับใครนิสัยเดิมมันชอบยุ่งกับคนตอนนี้เพราะงั้นอย่าเพิ่งมาอยู่วัดหลวงพ่อนะเออเดี๋ยวมันจะยุ่งกับคนไม่ใช่อะไรเพราะใจมันชอบยุ่งแล้วมันจะดูโ น, น้นดูนี่ไปเรื่อยๆต่มันวอกแวกค่อยๆดูของเรานะอยู่คนเดียวได้ก็ดีอย่เนี้ย อยู่รวมหมู่รวมคณะมันยุง่งแล้วเออดีก็ดีแล้วล่ะมันมันเบากว่าแต่ก่อนนะแต่นิดค่อยดูของนิดไปฝึกอยู่ในชีวิตประจำวันของเรานั่นแหละอยู่ห้องสมุดคนไปยุ่งด้วยเยอะไหมหลวงพ่อได้ยินคุณจิตาพร อ, นะอริยาพรนะเขาโฆษณาบอกให้ไปหาพี่นิด ไกลจะมาที่นี่ให้ไปหาพี่นิดดูเรื่อยๆนะดูบ่อยๆยุ่งกับคนอื่นน้อยๆหมาถึงถ้าเรามีหน้าที่จําเป็นต้องเกี่ยวข้องก็เกี่ยวไปนะแต่ใจเราอย่าไปเกี่ยวด้วยใจเราเนี้ยมุ่งเอาตัวรอดไปก่อนอย่าห่วงคนอื่นนะมันห่วงคนอื่นเยวไปไม่ใช่อะไรหรอกเป็นโรคแบบโคทิสัตว์หญิงก็มั้ง นะไม่ใช่โพธิสัตว์ไม่มีผู้หญิงโพธิสัตว์หญิงมันอยู่ในเรื่องของลีชิมพวงริมิซันพัวระนี่แสดงว่าเป็นคนร่วมสมัยใช่ไหมเคยอ่านรนะึเปล่าใครไม่เคยอ่านเรื่องของกูเล้งนี่ยังไงชอบคนเนาะเด็กรุ่นใหม่จะไม่รู้จักแล้วก็ได้อีธานี่กินเหล้าอย่างตาย นยนิตใจลอยไปแล้ววันนี้พาเด็กๆมากี่คน <27 S 1> เห็นไหมล่ะมันเป็นหัวโจกเห็นไห <c oughs> เอาถัดไปที่นั่งติดกันนายนิตน่ะใจลอยไปแล้วรู้ไหม <c oughs> ต้องอย่างนี้นะใจไหลแวบรู้ทันมัน ไอ้ทำบุญทำทานก็ดีควรจะทำแต่ตัวสำคัญอะไรต้องเจริญสติไว้ถ้าเราไม่มีสติกํากับนะเราทำบุญทำทานนะมันก็เกิดอกุศลได้นะมันจะพลิกเป็นอกุศลได้ง่ายๆเลยให้ใครฝึกให้รู้เท่าทาันใจของเราเนี่ยใจหนีแวบไปแล้วทราบไหมหันดูไปอย่างนี้นะอับส่งต่อไปตกใจไหมตกใจให้รู้ว่าตกใจนะ ที่จริงมสมาธิเนี่ยนะเป็นของที่เกิดขึ้นกับจิตทุกๆดวงแต่ทั้งจิตฟุ้งซ่านก็มีสมาธินะคือมันจดจ่ออยู่กับความฟุ้งซ่านไม่ไปไหนเลยไหลายตามกิเลสเกาะกิเลสแน่นๆไปเลยจริงๆแล้วสมาธิไม่ใช่เรื่องตลาดอะไรเกิดกับจิตที่เป็นกุศลก็ได้จิตที่เป็นอกุศลก็ได้ตัวสำคัญทังฝึกสติให้ดี ถ้าเมื่อไหร่มีสติกำกับเนี่ยสมาธิตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นสัมมาสมาธิขึ้นมาอย่าเคลิ้มนะใจเป็นช่างเคลิมนั่งฟังหลวงพ่ออย่างเคลิ้มเลยรู้สึกไหมมันลืมเนื้อลืมตัวไปฝึกไปรู้สึกไว้นะใจต้องตื่นตัวไว้อย่าให้มันซึมเอาคุณเสื้อเหลืองข้างหลังนั้น จิตตอนนี้เหรอจิตตอนนี้มันซึมไปจิตตอนนี้มันกำลังสงสัยอยู่จิตตอนนี้มันกำลังเข้าไปจ้องอยู่ให้ตามรู้สภาวะตามที่มันกำลังเป็นไปเรื่อยๆถ้าเราหัดรู้สภาวะกลับไปสติจะเกิดขึ้นมาตัวสำคัญมากนะสติขาดสติคือขาดการปฏิบัตินะหลวงปู่ ม, มั่นสอนอย่างนี้ มีสติคือมีการทำความเพียรมีการปฏิบัติขาดสติคือขาดการปฏิบัติสตินี่แหะสำคัญที่สดุดหลังๆมีพระที่ท่านมาจากสำนักครูบาจารย์นะนก็มาเล่าครูบาจารย์เน้นแต่เรื่องมีสตินะดังนั้นยังสอนกันอยู่แต่ลูกศิษย์ส่วนใหญ่จะไปทำแต่สมาธิทำสมาธิถ้าไม่ประกอบด้วยสติมันจะเป็นมิจฉาสมาธิจะซึมซึมซึมเคลิบเคลิบเห็นโน้นเห็น น, น, น, นี้อะไรไป รู้จักใจลอยไหมไม่มั่นใจก็รู้ว่าไม่มั่นใจไปนะง่ายๆรู้สึกไหมเมื่อกี้พยักหน้าแอบไปคิดแล้วรู้สึกไหมเดี๋ยวไม่รู้สึกไม่เป็นไรนะทนทนฟังนะหลวงพ่อไม่เก็บข่าฟังนะหลวงพ่อเรียกร้องอย่างเดียวอึดเกาไว้ทนทนข้าเรียนกับหลวงพ่อเนี่ยไม่มีใครฟังหลวงพ่อรู้เรื่องหรอก แต่ว่ารู้เรื่องรู้เรื่องธรรมะขึ้นมาได้เนะี่ยเพราะว่าไปเห็นสภาวะของตัวเองเข้าหลวงพ่อพูดเป็นเพื่อนเท่านั้นเองพูดไปเรื่อยๆพูดไปแล้วบางทีเราก็ใจลอยไปเรารู้ว่าใจลอยอย่างนี้ใช้ได้ละเราเผลอไปคิดก็รู้ว่าเผลอไปคิดพอเรานึกเรื่องปฏิบัติเราก็กลับมาเพ่งเราก็รู้สึกขึ้นมาออกเพ่งฟังหลวงพ่อพูดเพื่อหัดรู้สภาวะเท่านั้นแหละอย่างตอนเนี้ยใจไปคิดทราบไหม รู้สึกไหมตอนที่เราไปรู้เรื่องที่เราคิดเนี่ยเราจะลืมกายลืมใจตัวเองมันจะลืมกายลืมใจตัวเองเมื่อไร่ถ้าเราลืมกายลืมใจตัวเองนะเมื่อนั้นเรียกว่าขาดสตินะเพราะสติเนี่ยเป็นเครื่องเรารึกรู้กายเราลึกรู้ใจตัวเองอย่างตอนเนี้ยคุณฟังหลวงพ่อพูดสังเกตไหมฟังไปคิดไปฟังเราก็คิดตามรู้สึกไหมยังไม่รู้สึกนะเออไม่เป็นไรทนทนไว้มากันนิดเหรอ เอาซีดีให้ฟังบ้างเปล่าฟังเยอะๆหน่อยนะเดี๋ยวก็เข้าใจมันยากเพราะเราไม่คุ้นเคยเท่านั้นนหะทำไมหลวงพ่อไปเรียนแี่หลวงปู ด, ดูลนะ่ะท่านสอนคำเดียวครั้งหนึ่งนะไปหาครั้งหนึ่งสอนคาเดียว mm. ประโยคหนึ่งไม่ใช่คำหนึ่งท่าน mm. สอนบอกว่าอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองสอนให้แค่เนี้ย mm. ไม่สอนเยอะ ไปหาข่าวที่สองนะท่านก็เล่าเรื่องน้นเรื่องนี้ไปนะก็ะถามธรรมะก็ตอบนิดเดียวที่ดูอยู่เป็นอาการของจิตกลับไปดูใหม่ไม่เคยบอกเลยให้ทำอะไรนะฟังแล้วก็โอ้ลำบากแล้วก็ค่อยๆมาสังเกตเอาสังเกตของคุณรู้สึกไหมเวลาฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยมันไม่ได้ฟังอย่างเดียวแต่มันฟังไปคิดไปพอจะดูออกไหมมันฟังสลับแก่คิด อะไรนะเห็นนิดนึงแล้วนะเดีดีตรงนี้สําคัญนะค่อยๆหัดดูไปถ้าดูตรงนี้ได้ต่อไปการปฏิบัติจะง่ายแล้เพราะจิตเราไหลไปฟังปุ๊บเรารู้ทันจิตหนีไปคิดปุ๊บเรารู้ทันสตรีมจะเกิดเนี่ยสังเกตไหมตอนที่หลวงพ่อหยุดพูดเนี่ยมันจะแอบไปคิดแทนไม่ทันไม่ต้องทันนะรู้ตามหลังนะไม่ใช่รู้ทันนะเหลอไปคิดก่อนเรารู้ว่าเหลือ โกรธก่อนแล้วรู้ว่าโปรดโลภก่อนแล้วรู้ว่าโลภนะรู้ตามหลังนะไม่ต้องทันนะห้ามทันนะถ้าทันเราเคี้ยนมันเป็นไปไม่ได้เผลอไปด้วยมีสติไปด้วยพร้อมๆกันเป็นไปไม่ได้คนลกนักษณะกัน <S <S ใจแอบไปคิดต่อแล้วทราบไหมเออนะหัดหัดหนะเออเริ่มเห็นแล้วเรียนวันะเล็กน้อยพอเพราะคนเยอะนะกเอาก้าวส่งกันบ้าน แล้วให้มันบ่อยๆขยันรู้นะรู้บ่อยๆเอา้าที่ร่างนั่งหลังในในอยนต์อะ่ะเคยฝึกไหมเคยฝึกกรรมฐานแบบไหนเออฝึกไปสายหลวงพ่อเตียนดีนะขยับไปหลวงพ่อเตียนสอนนะขยับเนี่ยเพื่อเขย่าวธาตุรู้เพื่อให้รู้สึกตัวนะแต่หลังๆเริ่มมีคนไปเปลี่ยนคำสอนของท่านนะสอนให้ไปเพ่งมือ หลวงพ่อเทียนยไม่ชอบสมถะเลยขนาดเจอพุโทโธยังไม่ชอบเลยเนี่หลังๆมาแปลงคําสอนของท่านบอกให้เพ่งใส่มือไว้เพ่งใส่มือเป็นสมถะหลวงพ่อเคยเข้าไปหาหลวงพ่อเทียนนานแล้วนะสมัยท่านยังอยู่เห็นท่านสอนลูกศิษย์ขยับมือหลวงพ่อเทียนน่ยขยับหลวงพ่อเทียนตื่นนะลูกศิษย์ขยับเนี่ยฝันไปเลยฝันว่าจะขยับท่าไหน ทา น, นี้แล้วเดี๋ยวจะคงจะต้องท่านนี้นะเดี๋ยวจะมาท่านนี้นะนี่คิดเอาทั้งหมดเลยนี่ใช้ไม่ได้ลงไปข้างคิดอีกพวกหนึ่งขยับหลอเลยนะแต่ใจหนีไปนอกวัดแล้วออกจากวัดสนามใหม่ไปไหนแล้วเขาไม่รู้พวกนี้ก็ใช้ไม่ได้อีกพวกหนึ่งจริงจังพวกนี้ก็ผิดนะพวกนี้เพ่งไว้นะงั้นไอ้ที่ผิดนะมันเยอะนะที่ถูกไม่ค่อยมีดอก สายไหนก็เหมือนกันนะไม่เฉพาะสายหลวงพ่อเทียนทุกสายเลยถ้าไม่เผลอไปก็เพ่งเอาไว้ให้เรียนสิ่งที่ผิดหลวงพ่อเตียนสอนธรรมะที่เฉียบขาดสุดๆไว้ประโยคหนึ่งนะหลวงพ่อชอบมากเลยท่านบอกว่าถ้ารู้ว่าจิตคิดจะได้ต้นทางของการปฏิบัติถ้ารู้ว่าจิตคิดนะไม่ใช่รู้เรื่องที่จิตคิดนะคนทั่วๆไปรู้เรื่องที่จิตคิด รู้เรื่องที่จิตคิดไม่อาาัศจรรย์อะไรหมามันก็รู้นะมันคิดอะไรมันก็รู้นะไม่ใช่เรื่องแปลกแต่การที่รู้ว่าจิตแอบไปคิดอะไรนี่ไม่ใช่เรื่องง่า ย, ยนั่งฟังหลวงพ่อพูดคอยสังเกตสิฟังไปคิดไปเนยเดี๋ยวใจก็ฟังเดี๋ยวใจก็แวะไปคิดแล้วถ้ารู้ว่าจิตคิดจะได้ต้นทางคือเราจะเกิดสภาวะแห่งความรู้ตื่นขึ้นมาฉับพลันตื่นขึ้นมาใจเราไหลไปคิดปุ๊บเรารู้ทันเราจะตื่นขึ้นมาเมื่อเราตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ย หลวงพ่อเตียนสอนต่อบอกการดูจิตเป็นการปฏิบัติที่รัดสั้นที่สุด น, mm. นี่ท่านสอนอย่างนี้นะแต่หลวงพ่อไม่ได้สอนอย่างนั้นหรอกเพราะจริตนิสัยคนไม่เหมือนกันบางคนดูกายแล้วรัดสั้นบางคนดูจิตแล้วรัดสั้นเอาแน่ไม่ได้อันนั้น mm. แต่ถ้ารู้ว่าจิตคิดแล้วจะตื่นผางขึ้นมาเลยอันนี้ของแน่นอนเลย mm. จิตแอบไปคิดแล้วทราบไหม mm. ให้รู้ทันนี้จิตแอบไปคิดไม่ง mm. ั้นมันจะรู้เรื่องที่จิตคิด เนี่ยเข้าไปรู้เรื่องที่จิตคิดอีกแล้วนะพอจะเข้าใจไหมเนี่ยภาวะแห่งความตื่นอยู่ตรงนี้นะที่หลวงพ่อเจียนสอนนะสอนจนเราตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาทําไมตื่นขึ้นมาเพื่อจะได้เห็นความจรงิงกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเห็นทันทีที่ตื่นจิตนี้ไม่เที่ยงจิตนี้เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแอบไปคิดอีกแล้วทราบไหมนี่เรียนตรงนี้ให้ได้นะใจไหลไปคิดปุ๊บรู้ไวๆไหลวิคิดอีกรู้ไวๆ แต่ไม่ใช่ห้ามไหลนะไม่ใช่ห้ามนะไม่ใช่ห้ามคิดนะแต่ว่าพอมันไหลไปคิดปุ๊บรีบรู้สึกอ๋อหนีไปคิดแล้วอ๋อหนีไปคิดอีกแล้วเนี่ยไล่อย่างนี้เนี่ยคิดไม่เลิกเลยคราวนี้คิดอย่างหน้ามืดตามวัวแล้วรู้สึกไหมอะไรอย่างเนี้ยตื่นขึ้นมาแล้นะอย่างนี้ใช้ได้อ้าเบอร์หกสิบแปดส่งไปข้างหลังครับรก็รู้สึกว่ารู้กาย ดีแล้วลรู้ที่ปล่อยยา้ยารู้ในจิตระดัาดีแล้วดี ล, ะดละนะใจมันเริ่มจะตื่นแล้วใช้ได้ไปเรียนมาจากไหนก็เคยไปหาถูกว่าที่มีหน้าอ๋อมีหน้าล่ะ <c oughs> ตุกบ่อยๆนะ <c oughs> มันยังตื่นไม่เต็มที่เอาเบอร์หกสิบแปดใจลอยไปแล้ว มากันนิดเหรอไม่ได้มาไหนใครมายี่สิบสองคนกับในยานิดนพวกนี้ด้วยเหรอพวกนี้ก็มาบ่อยๆทำไมต้องเกาะเข้ามาล่ะ <c oughs> นึกว่าเขาจะพาคนที่ไม่รู้จักทางมา <c oughs> บูมๆเป็นไง <c oughs> ดังๆหน่อยข้างหลังเขาจะได้ได้ยินด้วย อืมดีเออดีและดีดีแ ล, แลบุมบุมใช้ได้แล้วเอาเบอร์ห้าสิบแปดคุยกับหลวงพ่ อ, อยังคุยแล้วทำไมนั่งแบบรือสีดัดตนเปียบเลยทั้งท้านะหลวงพ่อเคยเห็นแต่ก่อนที่วัดโพนะมีรูปดีบุกเป็นรูปรือสีอย่างนี้หายไปไหนหมดแล้วว่าง่าเอาว่าง่เบอร์หก แล้วแต่สติจะระลึกได้สามารถจะมีได้ในสอที่ไม่พร้อมกันจิตมีธรรมชาติรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวนะงั้นสมมติว่าอารมณ์อะไรเด่นขึ้นมามันจะไปดูตัวนั้นอย่างสมมติตอนนี้ความปวดที่ขามันรุนแรงขึ้นมาสติมันจะไปรู้ที่ความปวดแต่ถ้าปัญญามันเกิดมันจะเห็นเลยความปวดก็ส่วนหนึ่งนะขาก็ส่วนหนึ่งขากับความปวดโบราณกันแยกได้ไหมเราไปหัดดูนะ ความปวดกับขาโคล้านกันใจที่ไปรู้ความปวดก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งดะงนั้นเวลาดูเวทนาเนี่ยมันจะกระจายขันห้าออกนะร่างกายเนี่ยไม่เคยปวดเพราะร่างกายเป็นก้อนดินเป็นวัตถนะุจิตก็ไม่ได้ปวดนะจิตเป็นคนรู้ว่าปวดความปวดเป็นสิ่งที่แทรกเข้ามาในกายนี้พอความปวดเกิดขึ้นในกายนี่นะเริ่มไม่สบายใจนี่ปวดใจแนะ้วเรียกว่ามีโทมนัสเวทนาเกิดเวทนาทางใจ ถ้าเกิดมันรุ่มใจมากๆเนี่ยสติมันก็จะมาอารืตู้ความรุ่มใจที่มันกังวลมันปวดแล้วมันกังวลขึ้นมาเนี่ยเรารืตู้ที่ความกังวล น, นี้นต่อไปใจจะเป็นกลางกับทุกสภาวะใจเป็นกลางกับความปวดด้วยโยฝึกมาจากไห น, นเห็นกิเลสบ้างไหมวันวันหนึ่งเยอะไหมเยอะไหม เอาให้เยอะนะหลวงพ่อชอบรู้สิทธิที่กิเลสเกิดบ่อยๆนะเกิดแล้วรู้เกิดแล้วรู้นะดีเพราะว่าไม่งั้นจะไม่คือมองไม่ออกใจเราจะเผลอๆเพลิลลลนๆกิเลสเกิดแล้วเราไม่เห็น่ใจลอยแวบหนึ่งทราบไหมอีกแวบหนึ่งแล้วนะคือจิตมันฟุ้งซ่านมันจะไหลไปมันละเอียดนะกิเลสมีหลายอย่างละเอียดก็มีหยาบก็มี หันใหม่ๆเราก็เห็นแต่กิเลสหยาบๆก่อนค่อยฝึกแปลจิตใจขยับนิดเดียวเราก็มองเห็นอย่างตอนนี้ใจมีไปคิดทราบไหมนะมันจะลืมตัวเองเลยเบอร์หกสิบแปดทำอะไรรู้สึกไหมไปทำตัวเองให้ทื่อๆไม่ทำนะอย่างนั้นไม่ใช่ลูกศิษย์หลวงพ่อหรอก <c oughs> งกศิษย์ลือสีแล้วเพ่งให้ทื่อๆนะ ขเรารู้กายรู้ใจอย่างที่มันเป็นไม่ไปบังคับมันเราต้องการเห็นความจริงของกายของใจอย่างเนี้ยใจแอบไปคิดแล้วทราบไหมใจมันถล่มไปถล่าไปคิดเราก็รู้ทันมันเริ่มบังคับมันแล้วทราบไหเออย่างนี้คอยรู้อย่างนี้นะใจไม่ไม่หลงไปเผลอไปก็บังคับไว้ะมีที่ผิดมีสองอันนี้แหละแล้วคุณคนข้างหลังนู้นะ่ะ เบอร์อะไรนะเบอร์หกสิบน่ะเป็นยังไงเมื่อกี้นี้ทำอะไรอยู่เมื่อกี้นี้ล้มตกล็อกสุขต้องใช้ได้นะจิคือกบอกว่า่ทีู่้าลนของจิ แล้วไงล่ะเฉยมากไปนะตอนเนี้ยคือความคิดมันล้ําไปล้วนะคือตัวเนี้เรียกว่าปัญญามันล้ําหน้าละวนะล้ําหน้าส ก, กิจแล้วปัญญามากไปก็ไม่ดีนะนะแต่มันซึมซึมไปแล้วรู้สึกไหมมันซึมนะต้องให้มันกับดี่ ก, กระเป๋กว่านี้นะใหญ่ญาติยากคิดนํานะค่อยรู้สึกเอารู้สึกเอานะรู้สึกไหมใจมันนิ่งเกินไป มันนิ่งกว่าความเป็นจริงอะ่นะเพราะฉะนั้นเราต้องไม่ไปบังคับใจของเราให้มันนิ่งอย่างนั้นแารที่เราคิดพิจารณาธรรมะได้สมถะนะการคิดพิจารณาธรรมะมันเป็นสมถะเรียกว่าธรรมานุสติแลนะใจมันจะนิ่งๆขึ้นมานะเดี๋ยวติดสมถะดูออกไหมที่หลวงพ่อบอกมันนิ่งกว่าความเป็นจริงเนะี่ยะดีแล้วใครดูตรงนี้นะอย่าอย่าคิดนำเอาเบอร์สามสบสาม คุณประสานดริหอได้ดเหรอเรารู้ได้บ่อยไหมั่จะยาวนักนะอย่าทิ้งรูปแบบของการปฏิบัตินะต้องมีรูปแบบไหมทุกวันไหวพ้พระสวดมนต์ทำสมาธิเดินจงกรมอะไรทำไปนะไม่ละเลยจะทำให้สติในชีวิตปัจจุ บ, บันเกิดบ่อยอาคุณอ้อย ใจตอนนี้เป็นอะไรอือ๋ <c oughs> อตื่นเต้นอ๋อไม่ชอบมโปโครโฟนเออดีแล้วรู้ว่าหนีไปคิดก็ดีแล้วรู้สึกไหมว่าเราบังคับตัวเองน้อยลงละวี่ไปกลัวสิ <c oughs> รู้ลกปัจจุบันไปเรื่อยๆคุณเป็นสีดีนะเป็นสีดีแล้วตอนที่ไม่คุยกับหลวงพ่อเนี่ยดีมากๆเลยอะไรนะแน่นาอยาือ อะไรรู้สึกยังไงก็รู้สึกอย่างั้นแหละไม่จําเป็นต้องเหมือนกันในแต่ละคน่ะแต่เวลาความอยากเกิดนะมันสักดันนะถ้าไม่ตอบสนอง ม, นอนอน ม, มันจะอึดอัดขึ้นมามันจะอึดอัดมันจะแน่นๆขึ้นมาแต่ถ้าตามใจมันไปนะตอบสนองไปเลยมันจะสบายใจแต่ว่าถ้ากิเลสเกิด แ, แล้วเราไปจงใจดูนะก็จะแน่นๆขึ้นมาถ้าจงใจปฏิบัติก็จะแน่นๆ่นขึ้นมา ไม่ไม่ต้องไปดูขนาดนั้นหรอกนะดูว่าถ้าพอมันแน่นขึ้นมาแล้วใจของเราเป็นยังไงเถ่ในใจเราไม่ชอบอนะไรอย่างนี้ให้รู้ที่ใจเราพอมันแน่นแน่นนี้เป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้าเรียกว่าธรรมารม์อะไรก็ตามที่ใจไปรู้เข้าเรียกว่าธรรมารมณ์นะเมื่อรู้แล้วไม่ใช่ไปหยุดอยู่แค่ธรรมารมหรอกนะจิตใจของเราเกิดความรู้สึกอะไรเราคอยรู้ทันอีกชั้นหนึ่งแต่ไม่ใช่จงใจรู้สึกนะมันต้องรู้สึกเองตรงนี้ภาษามนุษย์นั้นสอนยาก พูดยากอย่างเป็นต้นว่าพอมันแน่นๆแล้วก็รีบ ม, มาคิดหน่ไหนดูสิใจเราเป็นยังไงอย่างนี้ไม่ได้อันะอนี้ไม่ใช่ของจริงแต่พอมันแน่นๆนะเรารู้สึกเลยใจเราไม่ชอบ๋ยรู้สึกขึ้นมาว่าใจเันไม่ชอบอย่างนี้ใช้ได้ว่าไงคุณเป็นสีอ่าใหม่ๆก็ไม่เป็นไรหรอกนะถ้านานตานไปเดี๋ยวนี้สายเสีย คือโลภะมันเกิดลแล้วถ้าคุณเพ็ญศีรู้ว่าอยากชำรนะเนี่ยนั่นแหละปฏิบัติเสร็จแล้วตอนนั้นถูกเป๊ะเลยเหมือนตรงที่พอมันแน่นขึ้นมานะไม่ใช่ไปรู้อยู่แค่แน่นถ้าใจมันไม่ชอบนะมันรู้สึกไม่ชอบเรารู้ว่าใจเราไม่ชอบแต่ไม่ใช่จงใจไปดูว่าใจเรารู้สึกยังไงอย่าท้อถอยนะการปฏิบัติไม่ได้ยากเท่าที่คิดหรอกยิ่งคิดยิ่งยากนะ หัดรู้ไปง่ายๆเช่นคนเ้าชมแล้วเราดีใจคนแล้วว่าว่าเราเราขุนใจอะไรเงี้ยเราก็ค่อยรู้ไปม ห, หูเราได้ยินเสียงความรู้สึกมันเกิดมันเกิดขุนใจขึ้นมาเรารู้ว่าขุนใจพอความขุนใจเกิดขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้าอีกแล้วเป็นอารมณ์อันใหม่แต่เดิมเป็นคําที่เขาว่าเนี่ยเป็นอารมณ์ใจเราขุนขึ้นมาพอเรารู้ว่าขุ่นนะความขุนเป็นอารมณ์ตัวใหม่นะใจก็เกิดปฏิกิริยาขึ้นมาอยากให้หายสมมติอยากให้หาย ให้รู้ทันว่าอยากให้หายรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยง่ายๆไม่คิดเยอะนะคิดมากแล้วยากมีอะไรไหมมีหลวงพ่อรู้เพราะว่าจิตมันยังคับห้องใจแต่รู้ว่ามันคิดคำามทีาเรื่มัก็ก็ไม่ไดประเด็นการปฏิบัติให้รู้ลงปัจจุบันไปนะอย่างใจของเราเนี้ยมันคับห้องใจรู้ว่าขับห้องใจ มันเป็นยังไงรู้อย่างที่มันเป็นแล้วอย่าไปอยากให้มันหายะเอาไว้ดูว่ามันเที่ยงหรือไม่เที่ยงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์บังคับได้หรือบังคับไม่ได้เอาไว้ดูของจริงนะเมื่อสภาวะธรรมเกิดขึ้นมาก็ถือว่าเป็นโชคดีแล้วที่มันเกิดเราจะได้เอาไว้ดูอย่าไปเกลียดมันอนะอักตายข้างไง การปฏิบัติในรูปแบบทำไมมันฟุงฟงฟ้งต้านจิตลราฟุ้งต้านมั้งจิตฟุ้งต้านรู้ว่าฟุ้งต้านแต่ถ้าฟุ้งมากดูอะไรไม่รู้เรื่องแล้วทำสมถะ ไม่ได้ดูให้มันสงบนะจะดูเลยใจจะโกรธเนี่ยมันมีเหตุมันก็เกิดต้องคิดนิดนึงก่อนนะอย่างเงี้ยโกรธโกรธมันตามหลังความคิดมาแต่ความคิดก็ห้ามไม่ได้เหราฉะนั้นพอมันโกรธขึ้นมาเรารู้ว่ามันโกรธเราดูเหมือนเห็นคนอื่นโกรธได้ไหมดูเหมือนเราเห็นคนอื่นกำลังโกรธอยู่เห็นนะเห็นความโกรธมันเกิดขึ้นมาเออนะแล้วก็มีความรู้สึกเลยมันเหมือนคนอื่นนะไม่ใช่เราโกรธหรอก มันเป็นสิ่งที่จิตเราไปรู้เข้าแปลงครารโกรธในขณะที่มันไม่รู้สึนทีหลังนานไหมก็ในขณะที่มันไม่รู้สึแล้วมันความรู้สึกมันเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นยังคือย่างนี้ถ้ามันโกรธในขณะที่โกรธเนี่ยมันมีสติไม่ได้แต่สมมติว่าโกรธมาห้านาทีแล้วเกิดนึกขึ้นได้ว่ามันโกรธเนี่ยอย่างนี้ใช้ได้ แต่ถ้าโกรธมาห้านาทีแล้วมันก็หายไปหนึ่งนาทีแล้วมันนึกได้ว่าเมื่อหนึ่งนาทีก่อนนี้โกรธอย่างนี้ใช้ไม่ได้ช้าไปเพราะน้นต้องรู้ตามหลังนะแต่ตามหลังติดติดไปเลยติดหลังมันไปดูบ่อยๆเดี๋ยวมันก็ทันนะแต่ว่าไม่ไม่ทันแพ้จริงนะไม่ใช่ว่าพอโกรธแล้วก็โกรธไปรู้ไปอันนั้นทำไม่ได้นะโกรธไปรู้ไปไม่ใช่ของจริงเลี้ยงใจหลวงพ่อนะค่ะค ก็ออถอะบการสนะุดงามร้อยู่นะครับรที่ก็หวันว่าะมีรเปลือยเปเต็มเตงมเต็มเต็มเต็มเตลมเต็มเข็มเต็มเต็มเต็ไเต็มเต็มเต็มเเตเต็มเต็มเตเเ ถ้าถ้าเพ่งจ้องนะใจจะแข็งแข็งเยหนักหนักแน่นๆน่นแข็งแข็งชื่อชื่อขึ้นมานะถ้ามันรู้แท้จริงใจมันจะโปร่งโล่งเบาเลยให้สังเกตนเพไงองางีพอเราูป๊บมันมีไงองค์แต่ว่ามันจะอก็ดีละก็พอใช้ได้อยู่ดูไปเด้ยๆเอาคุณหมู ดีแล้วแตจริงแล้วไม่ได้ปฏิบัติหรอกจิตมันปฏิบัติของมันเองหน้าที่เราก็คือหันรู้สภาวะไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันเกิดเองเลยพอเกิดแล้วรู้สึกไหมใจมันตื่นขึ้นมาใจมันโปรง่งโล่งเบาสบายรู้ตื่นเบิกบานไม่มีส่วนได้เสียแล้ว แต่ว่ามันเกิดได้มันก็ดับได้นะมันยังเป็นโลกีธรรมอยู่ดีแล้วคุณหมูเห็นกิเลสบ้างไหมวันวันหนึ่งเออความโกรธ ด, ดีความโกรธนี่เห็นง่ายที่สุดนะเวลาความโกรธมันเกิด อย่าไปห้ามมันนะคอยดูไปดูซิมันจะโกรธนานเท่าไหร่ดูแค่นี้พอละอย่าไปคิดนำํำนตะิดดูซิมันเที่ยงวิ่เที่ยงดูไปดูของจริงนะไม่ต้องไปคิดนํามันนะว่าจะหายไม่หายอะส่งมาตั้งหน้ า, ห น, าหน่อยมาหลวงพ่อให้มีไมโครโฟนอันเดียวครับกลัวมีหลายอ่านยวแย่งกันพูดแล้วนะบางคนหลวงพ่อกลัวจะจับไมโครโฟนมากเลยต้องคอยพาหนี จะจับแล้วไม่ยอมปล่อยอ่ว่ามาพูดใกล้ๆปากเลยนะความพอดีเหรอความพอดีไม่มีหรอกไม่มากไปก็น้อยไปไม่หนักไปก็เบาไปไม่ไม่มีพอดีอะไรนะดังนี้ เป็นปกตินะใจเราไม่พอดีหรอกเดี๋ยวก็สุดโต่งไปข้างวังคับเดี๋ยวก็สุดโตงไปข้างเฟลไปไม่มีพอดีไม่ต้องหาที่พอดีนะให้รู้ตรงที่สุดโตงอ่ะแล้วมันพอดีเองรู้ตรงที่มันเฟลไปพอรู้ว่าเผลปุ๊บมันพอดีเองแต่พอดีปรเดี๋ยวเดียวนะรู้สึกตัวนี้รู้สึกแวบเดียวแล้วก็หลงใหม่รู้สึกแล้วก็หลงใหม่ดีแล้วที่เห็นว่ามันไม่พอดีดีแล้ว เราว่าพอดีไม่มีหรอกรอ ก, การอะไรนะการให้ให้อะไรพอดีแค่ไหนเราดูตรงนี้นะทำตัวเองให้เดือดร้อนไหมทำคนอื่นให้เดือดร้อนไห ม, ไมถ้าให้แล้วเราเดือดร้อนเราก็ไม่ให้ ให้แล้วเขาเดือดร้อนเราก็ไม่ให้ดูที่ว่าแค่ไห น, นอย่างบางคนให้แล้วตัวเ อ, องเศร้าหมองไม่ดีเลยไม่ดียกเว้นให้อาภาัยน ะ, นะอาภัยต้องให้น ะ, นะคือหลายคนทำบุญนะทำทาบุญเช่นคู่เงินหรือขายบ้าน้วทำบุญ จิตใจก่อนจะทํานั้นเริ่มใสศรัทธามากเลยจิตเป็นบุญอย่างรุนแรงระหว่างทําก็ปลื้มมากเลยพอดีมีคนมาถ่ายรูปนั้นรู้สึกเท่เข้ามานะนี่กิเลสเริ่มแตกแล้วกลับบ้านมานอนก่ายหน้าผากบ้านน่าจะถูกไล่แล้วก็ขายเข้าไปละกลุ่มใจนเนี่ยทําแล้วไม่ได้มีความสุขก่อนทําระหว่างทําหลังทําไม่เสมอกันบุญชนิดนี้บุญกระคล่องกระแกล้งนะไม่ดี เงั้นบุญที่จะดีที่สุดมีผลมากที่สุดเนี่ยต้องดีทั้งสามการก่อนก็ทําระหว่างกระทําแล้วก็ทําแล้วต้องมีความสุขมีความจิตใจเป็นกุศล น, นะถ้าจิตใจเศร้าหมองแล้วไม่ดีหลายคนทําบุญเกินตัวเสร็จแล้วกลุ้มใจเศร้าหมองบุญชนิดนี้เขาเรียกไม่สมประกอบบุญที่ไม่สมประกอบบุญที่ไม่สมประกอบเนี่ยพอตายไปนะเราไปเกิด แล้วบุญตัวนี้พาไปเกิดเราจะได้เกิดเป็นคนที่พิการนะยังไม่สมประกอบหรือเป็นเทวดาชั้นจัตุมหาราชที่พิการเทวดาพิการก็มีนะไม่ใช่ไม่มีสมวนคนนึ่งทำบุญไปล้านบาทแล้วก็เศร้าหมองได้ความไม่ค่อยดีเท่าไหร่อีกคนนึงไม่ได้ทำสักบาทเลยเห็นเพื่อนบ้านทําบุญล้านบาทแล้วพลอยปลื้มกับเขาได้บุญนะอะตัวนี้ได้บุญเยอะ นันอยู่ที่ใจเราการทำความดีเนะี่ยทำแล้วได้ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านดีทำแล้วตัวเองเดือดร้อนผู้อื่นเดือดร้อนไม่ดีนายนิษ์เป็นไงแล้วลูกสาวหายไปไหนไปทำอะไรนะดีนะเด็กทำกิจกรรมดีหลวงพ่อชอบ ตอนหลวงข้อเรียนก็เป็นนักทำกิจกรรมไม่ค่อยเรียนเท่าไหร่ไม่ต้องเรียนเยอะเพราะมันงน